โยมเทิ่มที่หลวงพ่อถามนะผูริเริ่มเนี่ยแหละมาซอยส่างวัดป่าน่าคำหน่อยเฮ้าเฮ็ดประต้งเฮ็ดประตูเฮ็ดโค้งเล็กเฮ็ดหมุงลวดแ ม, ม่มาตัวเฉพาะอย่างยิ่งประตูเล็กประตูเล็กแต่ยังใส่กู้มือหนึ่งทั้งหลังวัดก็แมนประตูเล็กให้เพิ่มเสื่อมไปแค่หน่วยสร้างตูเทิมเลยเสื่อมหปแล้วก็ ไว้เนื้อเชื่อใจเราดันความแน่นหนามันคงมันไปนี่แหละจากนั้นก็เด็กมาปลูกต้นใหม่เนี่ยแหละไม่ออกเลียงลูกเรียงล้านสมัยนั้นวัชจักต่ำโมโหงว่จักเค็ดหลับเลียงเล็กหน่อยสองสามอยคนแตละมือเออปลูกใหม่ดายหญ้าเนี่ยไม่ซักที่เขาเห็ดวสวยๆงามๆอยู่ทั้งในแบนพวกเนี่แหละฝีมือ ซอยแต่คนละใหม่คนละมือมาปลูกต้นใหม่ไม่แต่เคี่ยนไม่ซักโดยเฉพาะอย่างเยี่ยงไม่ซักนี่ยลงพอเน้นไม่ซักพอเน้นไม่ซักยังคืนมายังใส่งานใดใดได้เด่นเพ็ดเสากุฏีได้แล้วเพ็ดเสาสลักเพ็ดเสาสลากกว่านจะหนาจะได้คนล้ ว, ว่าไม่งามเลยไม่ซักของเห่าเนี่บ้านหลงพงไพ วันนี้หมูหลุกเสาจากไปยังอายุยังหน่อยอายุยังมาถึงยี่สิบปีเป็นโรคอะหรยังภูมืน่นเป็นโรคที่ท่านสมัยได้โรคที่ว่าโรคเลือดแดงกินเลือดขาวเลือดขาวกินเลือดแดงยังบ่งพอก็บ่งหุจับด้นี่แหละโรคเลือดมะเร็งเลือด คูมือนะมันเป็นเดดแลายแน่วพอพึ่งจากไปมือนึ่จะทําบุญอุทิศส่วนกุศลหาเขาเนอะเขาคงเอาชีวิตมากเพียงทอห น, น่ะที่ว่าจาังใดล่ะเกิดแก่เก็บตายผููใดไป ก, ก่อนกะเฮาทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้พอได้ตายไปแล้วกะเอือผู้อยู่ทางหลังจักผุดไปทางหน้าจักจีดีไปจังใดได้ดีดีจังใดกรบบุูง วเขาอยู่เบื้องหลังก็เออเอาตามรักท่ำคําสอนของพระพุทธเจ้าเพาะว่าเมื่อผู้ใดล่วงรับไปแล้วก็ท่ำุท้ิุจชนห้ผู้ตายอันนี้คือถือเป็นประเภทนี้การมาก่าประว่าใจทรงหายใจผู้ที่ออกไปกับร่างกายกับเผาไฟเผาไฟถิ่มมาได้เนยเผาไฟแล้วยังเตือ่ใจนี่ใจก็คือวิญญาณที่ไป ผัวเข้าก็ทรงจิตทรงใจไปให้ทรงทางวิญญาณไปให้ให้ได้รับส่วนผลส่วนกุศลเน้อ น, นี่คือการทำบุญแล้วมาโพสเรื่องการไปชุ่มเจดีลงตาเมื อ, องกอนตั้งแต่เมืองกอนวันที่สิบสามเมือนือเมือว่านวันที่สิบสี่มือนือวันที่สิบหา้าวันที่สิบสามลงพอเข้าไปไปชุ่มดูบัณฑิต บ่ายสี่โมงกว่าปะพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาพรกับคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรกับกลุ่มของเพลนเพลนถือว่าป ร, ป, รปรึกษาหาลือเพลนเขียนแบบแปลนของเจดีลงตาแล้วพอว่าพวกเข้าได้มอบให้ทุนกระมอม พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวลัยลักษ์เน่ยมูลทุ่นกระมอมเล็กอิงเล็ดหมอะเป็เพลินเพลินก็เลยให้หมอะเป็นลูกสาวเพลินน่ยลูกสาวเพลินก็คือพระองค์เจ้าจิตริพาจุธาภรเพลินจบมาจากศิลปะก่อนเพลินก็เลยรวบรวมขอคู่บ่ายจานของเพลินมาออกแบบแปลนแล้วเพลินก็จะพยายามทํา ออกเขียนแบบเกตแปลนเจตีขององค์หลวงตาหลบร่วมขนาดของเพิ่นก็เขียนแบบแปลนกับเป็นหลบเป็นล่นลางเป็นโม่เดี่ยวเป็นมากแลบ ว, วันที่สิบสามเพื่อนก็เลยเอามาสิเจดีนี่สิถ้ำโดยยังเบิ้งเบิ้งอะไเนี่ยเพื่นสีสางด้วยหินออนแบบผู้กร์เขาเนี่ยคือพระพุทธรูปนี่นะหินมาจากอิตเตอรี่ผลมาหินออนเมืองไทยนี่มันจะมี สารเล็กแกลเล็กอยู่ในหินออนพื้นทไทยเวลาฝนตกถูกถกือถูกน้ำมันจะแดงปฏิกิริยามันจะเสาหมองได้ง่ายแล้วก็มันมันจะเป็นไข้ค่ายก็ว่าเป็นในน้ำถยมเป็นหินปูนนะเกาะคาบคาบหินปูนแต่ว่ากันเป็นหินอิตาลีนี่บอเป็นอย่าง อ, อันนั้นตะสมาคม ที่เป็นสางมากเนละเกือบจะเป็นร้อยปีแล้วก็ยังสดใสอยู่เพราะนั้นอยากจะเอาคณะกรรมการสีเห็นพ้องต้องการบอร่อทเอาหินหยัง่งสร้างเจดีของลงตาเนก็เอาหินออนไทยหรือเอาหินออนอิตาลีแต่หลวงพ่อกับหลวงพอ่อชื่ใจก็เห็นคณะทัดไทยเนี่ยโน้มทั้งหลายจะเห็นพ้องต้องการว่าควรจะเอากินดีที่สดนะุดเนี่ยควรจะเอาหินอิตาลี สร้างเจดีย์ของลวงตาแต่มันแพงกว่ากันประมาณ3มเท่ากันเนี่็นว่าแพงกว่าหินไทยประมาณ3มเท่านะครับสมเท่าก็าบอกว่าวา่วาจะให้มันดีก็เลยตกลงว่าจะเอาหินอิตาลีมาแน่กัเพิินกระถามว่ารูปทรงของเจดีย์สูง38เมตรแต่ว่ากว้างทางในนี่จะแคบไปสักน้อยก็เลยบอกเพลินแนะนําบอก ในเพื่อนออกแบบให้มันกว้างกว่านั้นที่ได้บอพาอค้นเข้าไปก็บเจด้กาบไปไหวาทางในแต่ว่าเจดีนี่กบแมนมองสงบจิหมองสงบใจมองเจดีแต่ว่าทางนอกนะเป็นผิพิภันฑ์พิพิภันแปลว่าที่ชมกิจกรรมหรือว่า หลวงตาดําเนินจังใดชีวิตของหลวงตาหรือว่าท่านข้าสอนของหลวงตาเพิ่นสอนจังใดอันนั้นเข้ากันเลยมันจะบ่งในลักษณะพิพิธภัณฑ์ส่วนพระเจดีนี่ขึ้นไปแล้วก็ไปกลับพระอธิษฐานของเพิ่นแล้วก็มงกระราชท่านเพิ่งจริระของหลวงตาไปขึ้นไปแล้วก็สงบจิตสงบใจ ลำลึกถึงองค์ลงตาตังจิตอธิษฐานผู้ท่านลงตาที่เลิศประเสริฐเป็นพระอริยะเจ้าลูกหลานทั้งหลายในกาไปหวาเคารบสักราบูชาพ่อลำลึกถึงองค์ลงตาแลวก็ลงมากันเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์ตามห้องต่างๆที่เพื่นจะเขียนให้พวกทีได้เขาไปดูไปชมอันนี้ก็คือความเป็นมากของพระเจดี มือว่านก็นมีการหลวงพ่อก็ได้ถามทงางคณะกรรมการสามสามพแต่คนอธิบายให้ฟังกว้างกว้างหลวงพ่อทีแรกพวกพ่อคิดเอ๊ยเจ๊ดีกองลงตาในี่ทั้งใน่กับบุกโดยหินออนแบบหนาคันว่าแผ่นดินไหวนี่จะมีคนที่ม่ได้คิดไปหรือบอกมันคืบอลนตุงมําตุ่ตา ม, ตตามหรือว่าหลวงพ่อก็คิดได้ใจ แต่พ่อไปเมื่อวานเพิ่งข่าวให้ฟังบอาว่าขั้นแผ่นดินไหวในประมาณจาก6 7เจ็ดลิตรเนี่ยเปอบายูยูได้คามันไหววันไหวไว้แกลงอิริอิหล อ, อมันก็บจงทีประกันถึงขนาดนั้นเขาค้งบดได้แต่ขนาดไหวหาหกลิกตรเนี่ยนาจะรู้ได้คือคำนวณออกมาแล้วก็พร้อมกัรประกาศ ความสูงของพระเจดีย์38เมตรหลวงพ่อก็เลยขอบุญเปิดโอกาสให้ปวดใดสักถามเลย ว, ว่าถามไอ้ยังถามยังหลวงพ่อก็เลยถามว่าเจดีย์นี่กว้างปันใดหลวงพ่อถามแต่หลวงพ่อกักยพยายามมาถามมากกับผมม่เวลาน่อยกว้างปันใดเมันก็บอกว่ากว้างจาก6เมตรถึง7 เ, เมตรแต่คณะที่ฟังว่าแคบไป แล้วก็หลวงพ่อก็บอกว่าถามว่าจเจดีก็ดีพิพิธภัณฑ์ก็ดีทั้งเม็ดเนี่ยสีใสเงืนหลายปันไหนเพราะว่าเฮ้าจากหูจักเตนเนอรคันหูจักคันออกถอดแบบวิศวกรในสถาปนิกออกแบบออกมาแล้วเฮ้าก็จะพวกเล่าก็จะได้รู้วางเงินในกระเป๋าของเฮ้านี่เพียงพ่อบอกขันว่าเงินในกระเป๋าบอกเพียงพ่อ เข้าก็จะได้เดินสายบอกพี่บอกนอก้องบอกบอกตนซัท้ายยาดนุม่มล่งขันกั น, นคนละมากคนละหน่อยตามกําลังความสามารถของแต่และคนบม่มบกขึ้นกันขันว่าเข้าบงจักจู่จู่งจักบันชุดท้ายเข้าก็เตรียมตัวบทท่านขึ้นกันขันว่าบงจักเต้นเนิ่นๆจะได้เตรียมตัวท่านันนี้ก็คือหลวงพ่อถามเพิ่นก็นว่าจะพยายามออกให้เร็ว ม อ, ออกมาแล้วบนข่าวจิตประกาศนะแล้วก็ดิทัศการให้คนเดเขามาเบิงแล้วก็จะบอกเรื่องการก่อสร้างโดยประมาณราคาทไรเท่าไรอันนี้ก็คืออันที่สมหลวงพ่อก็บอกว่าการสร้างเจดีย์จานสร้างพิพิธภัณฑ์เกระดิษราบ่าท่านอาจารย์สถาปัตย์บอกแล้วว่ามคือจะให้ตั้งสถาปัตย์ ผู้บ่าจา์สถาปัตเป็นผู้ออกแบบที่เดี่ยวคงเป็นไปบ่ได้เพราะว่าเรื่องสถาปัตเนี่ยเป็นเรื่องละเอียด อ, อ่อา น, า น, านจะต้องใช้เวลานานจะต้องได้ใช้จินตนาการในการคิดมันจะต้องเป็นบริษัทเออเอาเรื่องบริษัทนี่บริษัทออกแบบพวกเขาก่ยินดีรับได้ท่านจะให้คู้บายจานเป็นผู้ออกแบบคือสิชาจริงๆเพอออกแบบ แต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามก่อนที่จะออกแบบเจทีก่อนจะออกแบบแบบพิพิธภัณฑ์อยากจะให้บริษัทเรานั้นอ่านประวัติของหลวงตาก่อนหยดน้าบนใบบัวประวัติของหลวงตาที่สองกับปฏิปทาพระตุดงกรรมฐ า, านสายหลวงปู่มั่นที่หลวงตาเป็นผู้เขียนเองและกับประวัติของหลวงปู่มั่น ที่หลวงตาท่านเขียนเองแล้วก็ น, นังสือเล่มสุดไทไายเนี่ยงานพระราชทานเพิ่งขององค์หลวงตาในเล่มใหญ่ก็มีห่อความมีแนวความคิดอยืดหันมากหลากหลายอยากจะให้บริษัทใดสี่จะเขียนไปผลิตภัณฑ์ของหลวงตานะให้อ่านสะก่อนมาอ่านแล้วจะเป็นแนวความคิดเมื่อจะออกลักษณะใดแล้วก็มาแข่งกันมาเบิ้งใช้กันขนมาพ่อมาเบิ้งใช้กันแล้วบัน ทั้งครูบาอาจารย์ทั้งลูกชิดลูกหาองหลวงตาเนี่ยก็จะมาเบงว่าผู้ใดเขียนได้ดีออกมารูปแบบใดทําเป็นสเกลหรือว่าทำเป็นหุ่นออกมาทําเป็นโมเดลออกมาโมเดลก็คือเป็นหลวงตาเป็นเล็กหน่อยมีพอมีแมยเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าก็มีประวัติหลวงตาออกไปบวช ประเทศจังใดมีประวัติหลวงตาไปอยู่กับหลวงปูมันเพิ่นปฏิบัติจังไดสมัยนั้นมีลูกศิษย์สกงหลวงปูมันประเทศจงังใดก็มีประวัติหลวงตากลับมาสร้างบัณฑตาดเอาแม่ออกมาบวชก็มีครูบาอาจารย์มเช่า่างประเทศมาบวชน้าเพิลนมีสเสกลิลออกมามีหุน่นออกมามีโมเดลออกมาจากนั้นหลวงตาประกาศช่วยชาติหาทองคําเขาข้างหลวง มากน้อยแค่ไหนไผเผิดผูเกี่ยวของบ้างอันนี้ก็มีประวัติออกมามีสเกลออกมามีโมเดลออกมาเนี่ยจากนั้นก็นลวงตาจุติดิลพานมีงานพระราชทานเพิ่งศพใหญ่เยแล้วก็ต่อไปก็เออลงตาว่างท่ายาิพุทธบริษัทตุกสิทธุกหาของลวงตา ที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาพ้นลงตาแนะนําสั่งสอนจังไดรอันนี้ก็สุดแท้แต่อันสุดท้ายเนี่ยก็เป็นประวัติแหละเมื่อเป็นประวัติเป็นโมเดลออกมาแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าให้มันแต่ละช่องมันจะบกคือกันได้ในช่วงลงตาเกิดเนี่ยมันก็ต้องใช้พื้นที และโม่เดลลียวหรือจะจะแกรนออกมาเนี่ยต้องใหญ่เพราะมันเป็นกลุ่มที่พอแม่พีนองมีทั้งไอทั้งหน้าเฮห้าวิแสดงไ้ฟั่งไ้เบิงการทําหน้าสมัยดึกดำบันเก่าแก่กับต่อไปพ้ายภาคนานมันจะบกคือกันกนะเด๊แต่กอนไใสง้อใสควายบาดเมันใสรถไถเข้าไปล่ะมันต่างกันแหละเราะนันะกวรจะเขียนเป็นประวัติเอาไว้ ในหลูกหลานในศึกษาต่อไปในอนาคตพอเข้าเป็นท้าเป็นประวัติศาสตร์เลยแปลว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยคือคือประวัติศาสตร์ขององค์หลวงตาแล้วก็ลวงตาออกบวชมีความคิดเห็นอย่างไรตอนที่ออกบวชนะอันนี้ก็คือบอบ อ, บอมากละตอนนี้ช่องน่อยพอในนั้นเมื่อเข่ามีโมเดลออกมาแล้วบาทเนี่ยแต่ละช่องแต่ะช่องแต่ะช่อง ยังคอยคิดสร้างอาข่านขอบยังคอยออกแบบอาค่านขอบเนี่ยพราะถูกเมื่อนนมันทำเออสเกลหรือ ว, ว่าคํานวณโครงสร้างมันโดยเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเออเข้าคิดเป็นตารางเส้นอย่างจีจรครับคิดเป็นเท่ากับตารางเม็ดเท่าไรจรึงสั่นกะ ร, ร ะ, ะ, ไ, ร ะ, ะ ไ, รได้ตารางฟุดกระไดตารางวาดกระไดไดกระไดเนี่ยมันมีวิธีการเขาทํา จากนั้นเขาคือให้ทั้งทำอาค้านขอบบัดนี่ยอาขานอย่างค่อยขอบที่หลังลงพอเสนอเมื่อวานนี่ยไอสางอาค้านขอบที่หลังเมื่อเข้าเข้าปบปับปัเข้าสิสางเนสีสางพิพิธภัณฑ์สีเห็ดพิพิธภัณฑ์เข้ากัิสีสางอาค้านใบก่อนแล้วก็สีสางพิพิธภัณฑ์เขอบไปใซนเนี่เสาสียูมองไดประตูหน้าต่างสียูมงได้ฟ้าผนังสียูมองได มันสะอึดอัดแต่ถ้าว่าเห่าเห็ดปิพิธภาพันไบก่อนแล้วจึง ส, สางอาคารขอบที่หลังนี่มันจะโบอึดอัดมองม่องเข้าไปแล้วก็จริงนาน า, นาดูผู้ที่เขามาช่มคือกันกระเพาะสีสางโล่งสีเชงนสีหลัะเพาะสีสางโล่งสีนี่ปุบปับไปมหาสั่งอาค้ารขึ้นมาเลยมาแล้วเอาไปเครื่องโล่งสีชื่อเครื่องโล่งสีมาที่หลัง จับยัดเข้าไปเอ๋ทอไอเสือจะอยู่มองได้สายพ่านสีสันสีเงาพ่อปันในหมอน้ามันจะอยู่มังได้หัวสีมันจะอยู่มองได้ใหเข้าไปแล้วก็ต้องแต่ตออาค่ารออกไปอีกขนาดข่านหน่อยขนาคานใหญ่ถึงใหญ่หเติง ต, ตาังโกรดนะมันผสมส่วนนะกัราว่าเข้ากะเรียบรลอยหัวสีอยู่มองได้สายผ่านขนาดในเขาวัดเรียบรลอยมดัดบัดแล้วเหายังคอยสางอาค่ารขอบ ดูๆแล้วก็ทีม่มะเจาะดีนี่ก็คือกันพิพิธภัณฑ์ของลวงตาก็ขอฝากไว้กับผู้บายาจาร์ทุกๆท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้อันดับแรกให้อ่านหนังสืออย่างที่อามาภาพเรกบอกในกล่าวแล้วก็พร้อมกันก็หนื่จ้างบริษัทมาทำเป็นโมเดลหรือทำเป็นเขียนเป็นอนันต์นออกมาแลวก็คอยคิดสงพิพิธภัณฑ์คอก ส่วนเรื่องการเงินการท่อ ง, งอนเนี่ยยังค่อยว่ากันท่นี่ลุกศิดลูกหาทั้งหลายว่าแต่ละอาค่ารแต่ละบริษัทที่มาทํางานมันต้องได้ใส่เงินจุดนี้มันต้องได้ช่วยๆกันคิดแหละท่นี่จิตญาณุสิสทธ์ท้งหลายเนี่ยลุงพอก็ให้ความเห็นหลวงวานพอต่อมากับมิผูเสนอขึ้นมาว่าเมธของลงตาเนี่ยเนี่ยยิ่งว่าสิยกออกมาเ อ, อม า, ออ ม, าออมาใช้พิพิธภัณฑ์ แต่ไม่จริงก็มีผูกเชนเอ๋อเอาไว้หันได้บอต้องยกออกนี่แหละแต่เนี่ยํากันละบ้านก็เลยฆ่ากันมือว่านก็เลยคิดกันนักพอสมควรบันทุดทายเนี่ยพนัน้นมือว่านเพื่นก็เลยบอกว่านายอาจารย์ผมจะอยากจะมาปรึกษาปาล ก, กันอีกทานายอาจารย์สะดวกใสเพื่นว่าบ้านทางอาจารย์คู่บาอาจารย์เพนันสะดวกใส่หงพอก็ กันสะดวกแต่แท้ก็ยูวัดหลวงพ่อไปแล้วหลวงพ่อก็ว่างกันแความสะดวกไม่เป็นบ่ละเอการมาวัดหลวงพอ่อสะดวกกันเดิไปหมู่อื่นก็ได้หลวงพ่อก็ไปได้หมดแต่ว่าให้สะดวกสะดว ก, ดวกยูวัดหลวงพ่อแต่ตามมิกงก็อยากจะให้คณะกรรมการสัง่งไปพิธภัณาหลวงตาเนี่ยมากมาวัดหลวงพ่อขึ้นกันน่ะหลวงพอ่อเจตภาพาไปเบิง่งพระผู้กอนเนี่ยไปเบิ่งพระเจดีย์ด้วยเอ่ เพื่อจะได้เป็นแนวความคิดในการสร้างพระเจดีย์ขององค์ลงตาหลวงพ่อจะเป็นผู้พาน้าขึ้นไปเบิ้ลพระเจดีย์เพื่อเป็นแนวความคิดเพราะว่าเจดีย์ของลงตาก็ได้ใช้จะได้ใช้หินแกนิดของอิตาลีขึ้นกันพระพุทธรูปพระนอนเนี่ก็คือหินหินอิตาลีขึ้นกันเพราะนั้นถ้าจะไปเบิ้ลก็นไปเบิ้ลจุดนี้ก็น่าจะ ได้แนวความคิดอื่นํามาใช้ในเจดีของหลูกตาพ่อสมพวนในความคิดของหลวงพ่อเนี่ยหละหลวงพ่อก็ได้ ว, ดวางสันนะแต่ก็ยังท่านเน้นนดอกมือ น, นี้นะแต่ว่าเดี๋ยวจันทร์จะคันแล้วหลวงพ่อจะถามเพิ่นอีกไปเท่านึงอีกชนเชนอเชก่อนเพิ่นังยืนหยันยูบอ้ะกานเพิ่งไปยืนยันเพิ่งโอ้ผลตกบอสซาดวกเพิ่งจะว่าอย่า ง, างไอางการมา เออยังยืนยันกูเวลาเท่านั้นเวลาเท่านี้เดี๋ยวหลวงพ่อก็จะบอกให้ท่านผู้ ก, กากับเป็นเรียนท่านผู้กากับได้ได้ทราบพอเป่วนรักษาพื้นที่ออํอเาเภอนายุ่งของเขา้าแต่สําหรับสัตสทธ า, ญญาติโนมกรบบต้องกระไรพนมาจัดเ็ดเป็นส่วนพระองค์มั่งข้าวเนี่ยพนมมาจิมาเนี่ยมาปรึกษามาเวอาเรื่องเจตีขององค์ลงตานีที่ยังข้างๆอ ย, ยู่บ้าน อย่างไม่ชัดเจนยังข้างๆอยู่หลวงพอก็เลยติดผืชดึงสองสามมือเลยว่อนออกไ ป, ไปงานถือว่าเป็นงานพองานลงตาก็คือเป็นนาทีของลูกทุกคนจะต้องช่วยกันแบบช่วยกันหามช่วยกันคิดบ๊บแมนชินนักถ้ากิสมัติสลัดแอกถึงกระบอแมนแนวเห็นไหมงานพระราชทานเพิ่ของลงตาหลวงพ่อเนี่ยสมัครใจบอ เป็นงานอย่างอื่นโอ้หลวงพอ่อหนีแต่นี่คืองานพอหนีบ่ออกหนีบอ่อใดตายเป็นตายแนั่นแหละสู่ถึงขนาดนั่นแหลอจนหลวงพอ่อเนี่จนตัวเหลืองวัดเนีอยทั้งเป็นวัดทั้งเป็นไอหายใจพอออกก็ท่อกันเมื่อกี่ฝุนมันหลมันคนมันหลเฮ้ยพอเฝ้าอยู่ในปา่าดงพงไพ่มันอยู่แบบนี้เลยเนะ่วันแลเข้าไปอยู่ในชุ่มชนจังสันโอลําบากแต่ถึงอย่างไรเฝ้าก็ต้อง มององหลวงตานะี่คือพ่อแม่คูบาอาจารย์เป็นผูมีมีประคุณสําหรับเข้าย่างยิ่งเข้าตรงพยายา่างจัดงานทุกยิ่งทุกอย่างให้เป็นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นบ่อใหญ่มีอุปสรรคจะมีอุปสรรคก็พยายามช่วยกันแก้ไขปรับปรุงให้มันจบจบให้มันไปในทางที่ดีนี่คือกันเจดีของโรงตานะครับอันนึงอันนึ่งคือกันอถ้าจบเจดีเราหลวงพอ่อเออ มัดพวงระบาดแต่เพิ่นเขาบริมอบดอกเรื่องพระเจดีเป็นบริวารบรวบาลแต่ว่าเรื่องสลีละงานพระราชทานหรืองของงานศพของเพิ่นเพิ่นสั่งเสียเป็นไรลักอักษรเป็นผีในกรรมนั่นนั้นชัดเจนแต่อันนี้บอเป็นบริษัสั่งแต่ก็เป็นหน้าที่ของลูกทุกคนจะต้องช่วยกันคิดคื้อกันนั่นเพราะเป็นหน้าที่ เมื่อสั่งไปแล้วเมื่อทลันลวงลับไปแล้วเราเป็นอาธิของหลูกที่จะส่องสั่งพระธาตุพระเจดีย์พิพิธภัณฑ์ลองรับเป็นที่กราบไหวสักระปูชาเถิดทุ่นปูชาพ่อแม่ครูบายอาจารย์ปูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างของหลวงปูหมันทั้งสั้นแหละจะกรนครวัดสุทธาวาสส้างติดว่าะะกเนหลวงหลานจัทถายาช่ว ง, งวันลังเลทุกสารทิศเขามาเพกกื่อกาเพื่อไหวพิพิธภัณฑ์องค์หลวงปูหมัน ของลงตาก็คือกันลงพอว่าเมื่อเข้าสางเสร็จเทร้ยอยแล้วเป็นทีกราบไหวของลูกของลานเป็นเครื่อยึดเนวทางด้านจิตใจของลูกของลานปู่ไดเขอมา้าอันนี้มากราบมากไหวตั้งจิตอธิษฐานถึงองค์ลงตาบุญบา ร, รมีของหลงตาคุ้มคล้องก็จะเป็นชลิเป็นมงคลสําหรับพวกลูกพวกลานต่อไปในอนาคตนะเรอรับพร น, นะแตเ น, นะอนุโมทนาให้ก่อน อุทิศส่วนกุศลเน่าอุทีศ่วงรับไปกต่อุทิศส่วนกุศลให้ลูก